สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่กลางสยองและวันนี้ก็อีกเช่นเคยผมมีเรื่องเล่ามาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังกันครับกับเรื่องที่มีชื่อว่าเสลี่ยมเจ้านางขบวนแห่เสลี่ยงของเจ้านางน้อยและเจ้าเมืองเคลื่อนออกจากวังแต่เช้าตรู่เจ้าเมืองไม่ได้บอกแก่เจ้านางน้อยว่าการเดินทางครั้งนี้มีจุดประสงค์อื่นใดนอกเสียจากจะไปเที่ยวชมป่า เจ้านางน้อยจึงคลายใจและอยู่ในอารมณ์ร่าเริงสดใสตามวัยของนางนางยังพูดจาหยอกล้อกับนานอินทาาถามเสลี่ยงที่นางแอบคบในฐานะคนรักตามปกตินานอินเองก็ดูมีความสุขและดูร่าเริงด้วยเช่นกันทั้งคู่สบายใจขึ้นมากหลังจากได้สารภาพความจริงต่อเจ้าเมืองไปแล้วว่ามีใจให้กันมานานแต่เจ้าเมืองกลับไม่ได้ด่าทอไม่ได้ลงโทษหรือแสดงอาการไม่พอใจแต่อย่างใด ทั้งสองหารู้ไหมว่าที่แท้จริงแล้วเจ้าเมืองมีความคับแค้นและอับอายเป็นอย่างมากเพราะแต่เดิมได้หมายใจให้ลูกสาวได้แต่งงานกับคนที่มีชาติตระกูลสูงส่งทัดเทียมกันได้เตรียมจัดการเจรจาไว้เรียบร้อยแล้วแต่จูจ่ๆเจ้านางน้อยกลับร้องผมร้องไห้ไม่ยอมแต่งงานกับคนที่พ่อแม่มองให้กลับมาไฟต่ำลักลอบมีความสัมพันธ์กับท่าถามเสลี่งสกปกอย่างไอ้หนานอินเจ้าเมืองเก็บความคับแค้นใจในี้ไว้ พยายามเกลีย้ยกล่อม น, นางน้อยให้รับฟังเหตุผลและความเหมาะสมแต่เป็นตายไร้ยดียังไงเจ้านางน้อยก็ไม่ยอมรับฟังซ้ำขู่จะฆ่าตัวตายเจ้าเมืองเลยวางอุบายพร้อมหลอกพาเจ้านางน้อยและทานนานอินออกไปเที่ยวป่าเมื่อถึงกลางป่าลึกเจ้าเมืองให้ลูกน้องคู่ใจเรียกนานอินให้ออกไปกู้แล้วในป่าลึกตามแผนการรอบค่าแต่เจ้านางน้อยเกิดเอจใจรู้ทันจึงร้องห้ามไว้นันอินจึงไม่ยอมไป เจ้าเมืองเห็นเหตุการณ์ไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้จึงโมโหและมีปากเสียงกับเจ้านางน้อยอย่างรุนแรงยิ่งเจ้านางน้อยยื่นคำขาดว่าชาตินี้ทําไม่ได้แต่งกับนานอินก็จะไม่ยอมแต่งงานกับใครทั้งสิ้นเจ้าเมืองก็บรรดาลโทสะให้บริวารที่ตามมาตัดคอหนันอินจนขาดกระเด็นต่อหน้าต่อ ต, อตาเจ้านางน้อยเจ้านางน้อยตกใจจนนิ่งอึ้งไปเจ้าเมืองได้สติและตกใจกลัวว่าเจ้านางน้อยจะเสียใจจนคิดฆ่าตัวตายตามคําขู่ ก็พยายามปลอบใจว่าต่อไปนี้ขอให้เริ่มต้นชีวิตใหม่อยากได้อะไรพ่อจะหาให้ทุกอย่างเพียงครู่เดียวเท่านั้นเจ้านางน้อยคนงามก็สะบัดตัวออกจากท่าที่ยึดนางไว้วิ่งเข้าไปหาหัวของนานอินมอกอดไว้แนบอกและคว้าปีนปักผมแทงคอตัวเองจนขาดใจต า, ตายตามคนรักไปอีกคนเจ้าเมืองตกใจและเสียใจจนคลั่งทั้งด้วยความรู้สึกผิดจึงสั่งให้บริวาร ช่วยกันขุดหลุมศพของนานอินกับเจ้านางน้อยไปด้วยกันเพ <c oughs> ื่อเป็นการขอโทษและต่อมาก็กลัวว่าลูกสาวจะไม่มีค่ารับใช้ในปโารโลกเลยสั่งให้ตัดหัวของทาตแบกเสลี่ยงของเจ้านางน้อยฝังลงไปเป็นบริวารให้ด้วยโอโหดัต์ตัดหัวทาตทั้งกระบวนเลยนี่นะอองร้องอุทานออกมาเมื่ออีดอ่านตำนานขบวนแหไรหัวของเจ้านางน้อยจากวารสารรับน้องใหม่ของทางมหาวิทยายลัยให้ฟัง ใช่ดิอีดว่าแล้วแกอย่าเพิ่งเบรกนี่มันแค่เริ่มต้นยังไม่ถึงจุดพีคเออรีบเล่ามาดิเพื่อนคนอื่นๆที่ฟังอยู่ด้วยกระเร่งให้อีดเล่าต่อว่ากันว่าหลังจากนั้นทุกปีในคืนเดือนดับกลางฤดูร้อนของเดือนแปดยังมีคนเห็นและได้ยินเสียงขบวนเสี่ยงคานหามของเจ้านางน้อยเดินออกมาจากป่า เข้ามาในเมืองพร้อมกับเสียงร้องไห้ของผู้หญิงที่สะอึกสะอื้นว่ากันว่าห้ามออกมาจากบ้านโดยเด็ดขาดใครที่ได้ยินเสียงต้องรีบปิดประตูและเข้าบ้านและรอจนกว่าขบวนจะผ่านไปมีบางคนที่แอบดูตามหน้าต่างเขาว่าเป็นขบวนเสี่ยงคานหามที่มีผู้หญิงใส่ชุดเจ้านางโบราณ น, นั่งร้องไห้อยู่บนเสียงกอดหัวผู้ชายคนหนึ่งไว้บนตักโดยมีทาตที่แบกเสียงและที่เดินมาเป็นขบวนนั้น ไม่มีหัวเลยสักคนหลายคนไม่ได้ยินถึงกับร้องครางเฮือกมาโอ้ยน่ากลัวขนลุกว่ะโอ้ยไอ้พวกบ้านี่พวกมึงยังเชื่อกันจริงๆเหรอเนี่ยข อ, องพูดพลางหัวเราะที่ไหนมันก็มีกันทางนั้นแหละเรื่องผีที่เอาไว้อำน้องใหม่น่ะถ้าเกิดมันมีจริงอะนะเจ้านางนั่นตายมาแล้วกี่ร้อยปีก็ไม่รู้ป่านนี้กลายเป็นตลาดนัดเป็นห้างเป็นลานจอดรถไปแล้วหมั้ง ยาอ่อน <Yeah>, อีทมองหน้าอองแบบหมั่นไส้เออมึงทำเป็นรู้ดีไปเถอะถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะพวกรุ่นพี่เขาคงไม่เอามาตีลงวารสารแจกน้องใหม่หรอกแล้วอีทก็ยังพูดต่ออีกว่าเส้นทางการเดินของขบวนเสียงคันหามของเจ้านางน้อยไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลเลยเริ่มต้นจากแถวหลังตึกบัญชีไปจนถึงหอนาฬิกากลางมหาวิทยาลัยนี่เองมีอยู่หลายปี ที่มีนักศึกษาได้ยินเสียงขบวนแห่แล้ววิ่งออกมาดูกลางดึกแล้วก็หายสาบสูญไปเฉยเฉเลยมีคนบอกอีกว่าช่วงปีเทาทางมานี้ในขบวนแห่เสลี่ยงค้านหามของเจ้านางน้อยไม่ได้มีแต่คนที่แต่งชุดโบราณเท่านั้นแต่มีคนแต่งชุดนักศึกษาแต่ว่าหัวขาดเดินร่วมอยู่ในขบวนด้วยว่ากันว่าคนที่ออกไปดูขบวนแห่ของเจ้านางต้องโดนอาถรรพ์ต้องถูกเอาตัวเข้าไปร่วมกับขบวนแห่ของเจ้านางน้อยด้วย โอยหลายคนร้องขึ้นหลอนสุดเลยวะ่ะเออของแบบเนี้ยคนในพื้นที่เขาเชื่อนะเราก็ไม่ควรไปลบหลู่นะเว้ยเข้าเมืองตาเหลียวมันก็ต้องเหลวตาตามเออพวกมึงนี่เรียนคณิวิทย์กันมาได้ยังไงวะข อ, องยังคงทําหน้าไม่เชื่อเออเอางี้เอางี้เดือนแปดอะมันเดือนนี้พอดีใช่ไหมเอาดิเดี๋ยวคืนเดือนมืดเดือนเนี้ยเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมานานมากแล้ว ตั้งแต่สมัยที่พวกเราอยู่ปีหนึ่งแต่พวกเราที่เหลืออยู่ก็ไม่มีใครที่ลืมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนนั้นได้เลยสักคน อ, องทําอย่างที่ว่าไว้จริงๆคือขออนุญาตอาจารย์พาเพื่อนๆ อ, อีก8ดคนมาจัดบอร์ดนิทรรศการของรายวิชาหนึ่งที่ใต้ตึกในตอนกลางคืนของคืนเดือนดับทั้งๆ ท, ที่งานก็ไม่ได้เร่งรีบอะไรมากนะักทุกคนรู้เจตนาของการมาครั้งนี้ว่าคืออะไรแม้บางคนจะกล้ า, ก ล, า, ก, ลากลัว แต่ในที่สุดแล้วความอยากรู้อยากเห็นมันก็มีมากกว่าก็เลยพากันยกขยงทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายหลายคนพกเครื่องรางของขลังติดตัวมาด้วยแต่โดนอองเก็บหมดเรามาดูผีกันนะเว้ยถ้าพวกแกพกพระมาอย่างนี้แล้วผีที่ไหนมันจะออมให้ดูวะแมนๆกันหน่อยดิอองพูดใส่หน้าทั้งเพื่อนหญิงและเพื่อนชายพลางเก็บพระและเครื่องรางใสายยา่ย่มแล้วออกไปซ่อนไว้ที่ชั้นบนกลางดึกอากาศร้อนอบอ้าว เมฆใหญ่เคลื่อนต่ำจนเสียงพูดกล้องสะท้อนไปมามันเหมือนฝนกำลังจะตกแต่มันก็ไม่ตกบรรยากาศในคืนนั้นมีเพียงความเงียบสนิทไม่มีแม้เสียงมแมลงกลางคืนในคืนเดือนดับกลุ่มนักศึกษาใหม่อาศัยแสงไฟนิออนใต้ตึกคณะและช่วยกันจัดบอร์ดอย่างสงบเสงี่ยมผิดปกติเหลวหน้าแลหลังด้วยอาการหวาดระแวงเป็นระยะ ะ, ยะบางคนเริ่มบ่นว่าไม่น่าหาเรื่องเลย เวลาล่วงเลยไปถึงราวเที่ยงคืนครึง่งตอนนี้อากาศที่อบอ้าวเริ่มเย็นลงมากแต่ยังคงมีความรู้สึกที่ชวนอึดอัดยังไงก็ไม่รู้บอกไม่ถูกทุกคนรับรู้ถึงบางอย่างที่มีพลังอัดแน่นอยู่ในบรรยากาศที่มองไม่เห็นกลิ่นน้ำปรุงและแป้งรั่และกํายานผสมปนเปกันมาโดยที่ไม่รู้ที่มามันเริ่มรุนแรงและเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆข อ, องเริ่มววายว่าใครฉีดน้ำหอมใครจุดกํายานจะแกล้งกันรอเปล่า แต่ก็ไม่มีใครทําเพราะว่าตอนนี้ทุกคนกระชับล้อมวงกันมาก่อกันแน่นอยู่ตรงกลางครบทุกคนแล้วไม่ทันขาดคำนั้นเสียงร้องไห้สะอึกสะอื้นของคนหัวใจสลายก็แว่วดังมาแต่ไกลเฮ้ยใครได้ยินบ้างวะ อีทกระซิบถามเบาๆทุกคนพยักหน้าเงียบกริบส่วนอองนั้นตอนนี้ทำหน้าไม่พอใจกูว่านะรุ่นพี่อัพแน่นอนถ้าพวกมึงไม่เชื่อมึงคอยดู <c oughs> เสียงร้องไห้สือกสะอื้นดังใกล้เข้ามาจนสะท้อนกล้องไปทั่วบริเวณกลุ่มนักศึกษาที่กระจุกกันเป็นก้อนกลมอยู่ใต้ตึกใกล้หอนาฬิกายิงเบียดกันเข้าไปอีกท่านใดนั้นฟ้าแลบวิ่งเป็นเส้นแตกลายบนก้อนเมฆส่องสว่างจนตาพร่า เสียงฟ้าร้องคืนครัน้นคำรามรั่นกระไฟฟ้าที่ส่องสว่างให้ความอุ่นใจดับวูบลงพร้อมกันทั้งมหาวิทยาลัยหลายคนหวีดร้องแต่กระโดนอีกหลายคนรีบเอามือปิดปากไว้เรากลับกลัวว่าเสียงร้องจะดังไปถึงหูใครบางคนที่กําลังจะตรงมาทางนี้หลังจากนั้นเสียงฝีเท้าของคนกลุ่มหนึ่งตรงเข้ามาทางหอนาฬิกาเดินเป็นจังหวะพร้อมๆกันบนถนนมีร่างคล้ายมนุษย์ที่เดินกันมาแบ บ, บเงียบๆเป็นขบวนกลางขบวนมีเสี่ยงคานหาม ลักษณะเหมือนของใช้ผู้ดีมีชาติกูลมีหญิงสาวในเครื่องแต่งกายโบราณงดงามผมมวยสูงนั่งขุดคูร้องไห้สะอึกสะอื้นอยู่บนนั้นและยิ่งขบวนเคลื่อนมาใกล้ามากเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นได้ชัดว่าผู้ร่วมขบวนที่หามเสลี่ยงมาแต่งกายด้วยชุดผ้าผืนเดียวและเปลือยท่อนบนทุกคนและที่สำคัญนั้นคือทุกคนล้วนแล้วแต่ไม่มีหัวหลายคนกลัวจนตัวสั่นบางคนร้องไห้และเริ่มสวดมนต์แต่ อ, องเหมือนจะกลัวจนสติหลุด หรือว่ากลัวเสียหน้าหรืออย่างไรไม่ทราบได้มันลุกขึ้นตะโกน ล, ลัน่นเฮ้ยกูไม่กลัวพวกมึงหรอกมึงคิดว่ามึงเป็นรุ่นพี่จะแกล้งจะทําอะไรพวกกูก็ได้ไงเฮ้ ย, อ, ย อ, องเบาดีวะมึงไม่กลัวแต่คนอื่นเขากลัวเว้อยอองยิ่งดูโมโหมากขึ้นเดี๋ยวกูจะไปลากคอมันออกมาให้พวมึงดูว่าไอ้พวกเนี้มันคนไม่ใช่ผีมันว่าแล้วก็วิ่งออกไปนอกตัวอาคารตรงไปยังขบวนแห่ไร้หัวอย่างบ้าคลัง่งโดยที่ไม่สนใจเสียงร้องเรียกห้ามจากเพื่อน บางคนจะวิ่งตามออกไปแต่อีท ก, ก็ดึงตัวไว้เฮ้ยอย่าไปอย่าไปเขาบอกว่าให้อยู่ใต้ชายคาจะปลอดภัยอย่าออกไปแต่ในตอนนั้น อ, องคมันวิ่งหายเข้าไปในความมืดเสียแล้วมันวิ่งเข้าไปในทิศทางของข้าบนแห่ก่อนที่ฟ้าจะแลบสว่างอีกครั้งตามด้วยเสียงฟ้าคำรามจนพื้นสะเทือนและลมพายุที่กระหน่าเทลงมาอย่างกับฟ้าขาดพัดต้นไม้และป้ายต่างๆปลิวว่อนทําให้พวกเราตร้องหนีขึ้นไปหลบพายุกันบนตึก หลังจากคืนนั้นก็ไม่มีใครได้เจออองอีกเลยเป็นเรื่องที่น่าประหลาดยิ่งไม่ว่าจะตามหากันโดยวิธีใดก็ไม่พบแม้ร่องรอยหรือแม้แต่ศพที่จะมีลักษณะใกล้เคียงกับอองเลยหลายปีผ่านไปยังคงมีคนพูดถึงเรื่องนี้กันอยู่บางโดยเฉพาะในหมู่นักศึกษาใหม่ๆที่ชอบลองของว่ากันว่าหลายรุ่นต่อหลายรุ่นที่ต่อจากรุ่นใน อ, อง มีคนเห็นขบวนเสลี่ยงเจ้านางน้อยที่เต็มไปด้วยทาดไร้หัวเดินผ่านมาทางเดิมทุกปีแต่ที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือบางคนยืนยันว่าเห็นร่างในชุดนักศึกษาชายไม่มีหัวเลือดแดงฉานไปทั้งเสื้อเดินร่วมอยู่ในขบวนแหนั่นด้วยพวกเราก็ไม่อยากจะคิดกันหรอกครับว่ามันเกี่ยวกับการหายตัวไปของอ๋องอย่างไรแต่ถ้าจะให้พิสูจน์ก็คงจะไม่เอาอีกแล้ว